พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขชัช่วคราวดับความทุกข์ได้ชั่วคราวไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าถึงส่งสอน ให้พุทธศาสนิกชนให้ความสําคัญต่อการแสวงหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะว่าถ้าได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แล้วจะไม่ต้องการอะไรอีกจะไม่ต้องมีอะไรอีกเพราะความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะให้ความอิ่มให้ความพอให้ความมั่นคงจะไม่มีความหวาดกลัวจะไม่มีความวิตกกังวลเพราะว่าการสร้างความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งอาศัย นอกจากธรรมะที่เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่เราใช้ในการสร้างความสุขขึ้นมาเช่นตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปจึงเป็นที่มาของความวิตกกังวลหวาดกลัวเพราะกลัวว่าจะสูญเสียตาหูจะบุกวิ่นกายไปนั่นเองแต่ความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งหูตาจมูกนิ้กายแต่พึ่งคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าสัตว์โลกอย่างพวกเรา น้อมนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพบกับการดับทุกข์ที่แท้จริงและถาวรเราจะได้ไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายคุณธรรมข้อแรกที่พุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามีกันหรือเจริญกันก็คือความมักน้อย ความมากน้อนี้จะทำให้เรามีเวลาที่เราจะมาสร้างความสงบให้แก่จิตใจถ้าเรามีความมากมากอยากได้ลาบยศเสริญมากมา ก, มากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มากๆเราจะไม่มีเวลาที่จะมา หาความสุขทางจิตใจไม่มีเวลามาทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมาเราต้องมีความมากน้อยคือไม่ต้องการมากกว่าความจําเป็นกว่าความต้องการของร่างกายก็คือมีเพียงปัจจัยสี่ ไว้สำหรับดูแลร่างกายก็พอแล้วอย่างที่พระเจ้าทรงดำเนินมาก็ทรงมีเพียงอัฐบริขารไว้สำหรับเป็นปัจจัยสี่ของพระองค์และของพระที่มาบวชกับพระองค์ อัฐบริการเกอเครื่องใช้ไม่สอยแปดชนิดด้วยกันที่จะสนับสนุนในการกินอยู่ไปในแต่ละวันเช่นหนึ่งบาทก็สนับสนุนเรื่องอาหารมีบาทแล้วก็ไปบินทบาทได้ ก็ได้อาหารมาตามมีตามเกิดมีจีวรสามผืนไว้สำหรับนุ่งห่มเป็นเครื่องนุ่งห่มว่ามีประคตเอวคือที่รัดเอวไว้สำหรับเวลานุ่งผ้าผ้านุ่งถ้าไม่มีก็จะหลุด ง่ายมีมีโกนไว้สำหรับรงศีรษะองผมทุกหนึ่งเดือนอย่างวันนี้ก็เป็นวันโกนพอดีเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายในประเทศไทยและในต่างประเทศจะถือเป็นวัน ปรงผมกันทุกวันเกินสิบสี่ขั้งของทุกเดือนก็ต้องมีใบมีดโกนมีมีดโกนไว้สำหรับปรงผมแล้วก็ให้มีเข็มกับได้ไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลาขาด แล้วก็ให้มีที่กองน้ำไว้ตักน้ำจากในบึงในลำธารเพื่อป้องกันไม่ให้ตักตัวสัตว์ขึ้นมาเอาน้ำมาเดื่มมาใช้สวยต้องมีที่กองน้ำนี่คือสมบัติแปดชิ้นที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมี และส่งสอนให้พระฟิกษุทั้งหลายมีกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่พอเพียงต่อการดํารงชีพส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไมอ้อยู่ตามเนื้องผ้าอยู่ตามถ้าสุดแท้แต่จะหาได้ แล้วก็ยารักษาโรคก็ให้ใช้ยาดองน้ามูดน้าปัสสวะไม่รักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความมาักน้อยในปัจจัยสี่ไม่ให้มากมากไม่ให้มีมากเช่นมีเสื้อผ้าหลายสิบชุดมีบ้านหลายหลัง มีอาหารลับประทานหลากหลายจนรับประทานไม่หวาดไม่ไหวเพราะถ้ามีความมากๆกก็จะต้องมีการสแสวงหามากเมื่อต้องสแสวงหามากก็ต้องเสียเวลามากก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางจิตใจ มาทำใจให้สงบเพื่อเกิดความสุขที่แท้จริงความบกน้อยจึงเป็นสิ่งทีส่สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาะความสุขทางจิตใจข้อที่สองก็คือสันโดษก็คือความยินดีตามมีตามเกิด ถ้ามากน้อยแล้วอย่างยังไม่พอเพียงคือไม่ได้ตามที่จำเป็นจะต้องได้เช่นเป็นตบาทไปหาอาหารมาอาจจะไม่ได้พอเพียงกับความต้องการของร่างกายบ้างในบางวันก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดให้ถือสันโดษ อย่าไปวิตกอย่าไปกังวลได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่พอก็ตามถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบ้างก็พอถ้ายังอยู่ได้ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดนี่เรียกว่าสันโดษคุณธรรมสองข้อนี้ คือความมากน้อยสันโดษจะทำให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแสวงหาสิ่งต่างๆมาบำลุงบำเลอจะทำให้เราสามารถสร้างคุณธรรมข้อที่สามได้ก็คือการไม่สังคมกับผู้อื่นไม่คุกคลีกับผู้อื่น การที่เราสังคมเราคุกครีก็เพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้แต่ถ้าเรามีความมากน้อยสันโดษแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องสังคมกับใครไม่ต้องคุกครีกับใครเราสามารถอยู่ตามลาพังของเราได้ ถ้าเราสามารถอยู่ตามลําพังของเราได้อยู่คนเดียวได้เราก็สามารถที่จะสร้างคุณธรรมข้อที่สีขึ้นมาได้นั่นก็คือการปลิกวิเวกอยู่คนเดียวในสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเรา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเขามาไว้เป็นที่พึ่งนั่นเองแต่ถ้าเรายังมีความมากักมากยังต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีความสุขแบบนั้นแบบนี้เราก็จะต้องอาศัยผู้อื่นมาให้ความสุขกับเราเช่นถ้าเรายังต้องการความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่ เราก็ต้องมีบุคคลนั้นบุคคล น, นี้มาเป็นคู่ครองของเรามาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่สามารถเปลีวกวิเวกอยู่ตามลาพังได้นผู้ที่ครองเรือนทั้งหลายผู้ที่มีครอบครัวอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่มีความมักน้อยสันโดษพอถ้ามีความมากน้อยสันโดษนี้ต้องอยู่เป็นโสดได้ ต้องไม่มีครอบครัวได้ต้องไม่มีแฟนต้องไม่มีคู่ครองได้ดังนั้นถ้ามีก็พยายามตัดเสียเลิกเสียถ้าอยากจะหาความสุขที่แท้จริงก็ต้องปรับนิสัยตนเองให้มีความมากน้อยสัมดินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสังคมกับผู้อื่น ไม่ต้องคุกคีกับผู้เมื่อไม่ต้องคุกคีแล้วก็จะสามารถเปรีวิเวกได้อยู่คนเดียวได้อยู่ตามลําพังได้พออยู่ตามลําพังได้ก็จะสามารถเจริญสติทำได้คือมีความสามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีบุคคลอื่นมา รอบกวนถ้ามีบุคคลอื่นเดี๋ยวก็ต้องคุยกับเขาเดี๋ยวก็ต้องทํากิจกรรมร่วมกับเขาก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ตลอดเวลา จะรัสติได้ในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกาลังจะทำอะไรก็สามารถควบคุมใจให้เฝ้าดูการกระทําเหล่านั้นได้โดยไม่ลอยไปที่อื่นถ้าใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะมีสติมีสมาธิตามมา มีสติก็สามารถที่จะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์นะผู้ที่รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีสติที่เข้มข้นพอพอใจคิดจะทำบาปก็ยับยั้งไว้ไม่ทันแต่ถ้าใจที่มีสติคอยควบคุมอยู่แล้วเวลาจะทำบาปนี้จะถูกละงับได้ อย่างรวดเร็วก็จะทำให้สามารถเจริญสีลได้เจริญสติได้เจริญเจริญสติแล้วก็จะสามารถรักษาสีได้รักษาสีลได้แล้วก็จะทำให้การเจริญสมาธิเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ศีลจะเป็นผู้สนับสนุนในเกินในการเจริญสมาธินั่นเองถ้าจิตใจที่ไม่มีศีล น, นี้จะเป็นจิตใจที่วกแวกไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นจะมีความหวาดวิตกมีความกังวลหวาดกลัวและจะไม่กล้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวที่สงบอยู่ตามลาพังเขาจะมีวิบักร ว, วิบาก ที่ตนได้ทำไว้จิตจะหลอกตอนเองเวลาไปอยู่ในที่เปรี่ยวที่กลัวจะมีความรู้สึกว่าจะมีผูดผีปีศาจหรือสิ่งที่เราเคยไปทำไม่ดีไม่ร้ายไว้จะมารอบทำร้ายก็จะทำให้ไม่มีสติพอที่จะ ควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีสติเพื่อที่จะได้รักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลได้ก็จะนั่งสมาธิไปอยู่ในที่สงบรักษาเพื่อที่จะทำจิตให้สงบได้เพราะถ้าสถานที่ไม่สงบ ก็จะมีสิ่งที่มารบกวนการทำสมาธิการทำใจให้สงบใจก็จะสงบยากถ้าใจไม่สงบ ก, ก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าได้สติสามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้ควบคุมให้อยู่ในปัจจุบันได้ ไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปในอนาคตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธหรือร่างกาย<ๆ>ก็เฝ้าดูไปพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเป็นหนึ่งศัก์แต่ว่ารู้ขึ้นมา แล้วก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นัตถิสันติประลังสุขขงังนี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจแต่ความสงบของใจที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิเป็นความสุขชั่วคราว ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงแต่ตอนนี้ยังไม่ถาวรเป็นความสุขที่จะเสื่อมหมดไปได้ถ้าไม่รักษาไว้วิธีรักษาก็คือเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องเจริญปัญญาเพราะปัญญานี้จะช่วยรักษาความสงบ ที่จะได้จากการนั่งสมาธิเพราะจะคอยทำลายสิ่งที่มาทำลายความสงบนั่นเองสิ่งที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆเวลาออกมาจากความสงบแล้วใจก็จะคิดปรุงแต่งก็มักก็จะคิดไปในทางของความอยากตามนิสัยเดิมที่เคยคิดมาอยู่ตลอดเวลา ก็จะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความอยากจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติพอเกิดความอยากแล้วความสงบความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปก็จะจางไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีปัญญา คอยสอนใจให้รู้ว่าความสุขที่จะได้จากการกระทำตามความอยากนี้เป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะเป็นความสุขผิวบางๆที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบอยาขมเป็นผิวบางๆไว้สำหรับให้เวลา รับประทานยาขมจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับรสขมจะได้กลืนลงไปได้ถ้าไม่มีน้ำตาลเคลือบ ไ, ไว้พอแตะกับความขมของยาก็จะกลืนไม่ลงชันใดความสุขที่เราอยากได้จากสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นความสุขที่เป็นผิวบางๆ ที่เคลือบความทุกข์ที่จะโผล่ขึ้นมาในภายหลังเพราะว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนั้นมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรเหมันเป็นของชั่วคราวเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมพออมไปได้สักระยะหนึ่งน้ำตาลที่ที่ที่เคลือบยาขมก็จะ ละลายหมดไปแล้วก็จะมีความขมขึ้นมาให้ได้สัมผัสเหมือนกับชีวิตของพวกเราเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะมีความสุขกันแต่พอเวลาผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็มีความทุกข์โผล่ขึ้นมา ความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลกับสิ่งที่ให้ความสุขกับตนกลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่ก็จะทําให้ความ เกิดความวิตกกังวลห่วงใยต่างๆนานาขึ้นมาแล้วก็เวลาสูญเสียไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ความจริงแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นอนิจจังทุกทุกเพราะเขาเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปควบคุม บ, คบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้เพราะมันไม่ได้ ให้ความ ส, สุขกับเราอย่างที่เราคิดไว้นั่นเองสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั้นความจริงเป็นกลับเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราไม่เชือเ่อลองสำรวจดูก็ได้ตอนนี้เรามีอะไรบ้างสิ่งที่เรามีตอนนี้มันให้ความสุขกับเราหรือมันให้ความทุกข์กับเราเงินทองมันให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรา เงินทองนี้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพาะต้องคอยหาต้องคอยรักษาเวลาขาดเงินขาดทองไปเงินสุขหรือมันทุกข์กันบุคคลต่างๆที่เรามีเช่นสามีภรรยาบุตรธิดามันสุกหรือมันทุกข์กันที่เราห่วงใยล้วห่วงใ ย, ยใครที่เราวิตกกังวลเราวิตกกังวลกับใคร ถ้าไม่ใช่กับสามีกับภรรยากับบุตรกับธิดาของเราคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีเงินไม่มีทองก็ไม่ต้องมีความวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านี้กับบุคคลเหล่านี้เช่นพระภิกษุที่บวชกันนี้ไม่มีเงินทอง ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาท่านจึงสามารถรักษาความสงบไว้ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านต้องมาวิตกมากังวลมาห่วงใหญ่นั่นเองนี่คือปัญญาที่จะทำให้จิตสามารถรักษาความสงบได้อย่างถาวร สามารถใช้ความสงบนี้ทำลายความทุกข์ได้อย่างถาวรทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเรียกว่าวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถทำลายความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวร สมาธิทำลายได้เพียงชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าออกจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญปัญญาปล่อยให้ตอนหาความอยากมาทำหน้าที่พอคิดถึงเรื่องอะไรก็เกิดความอยากกับเรื่องนั้นความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดความ วุนวายขึ้นมาในใจเวลาอยากได้อะไรก็จะเกิดความกระสับกระส่ายกวนกวายเวลาไม่ได้ก็เกิดความหงุดหงิดนำขานใจอารมณ์ไม่ดีนี่คือผลที่เกิดตามมาจากการเกิดตัณหาขึ้นมาถ้าได้ดังใจอยากก็จะมีความสุขชั่วขณะหนึ่ง แล้วไม่นานความอยากใหม่ก็จะโผลขึ้นมาใหม่อีกนี่คือการปฏิบัติการใช้ปัญญาต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอยากจะให้จิต ด, ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าหลุดพ้นอย่างถาวรหรือไม่ก็ต้องมีวิมุตติญาณทัศนะคือมีญาณมีความรู้อย่างรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้มีหมดไปแล้วหรื อ, อยังหรือหมดไปเพียงบางส่วนบางส่วนยังไม่หมดอันนี้ต้องมีญาณถึงจะรู้ได้ คืต้องสังเกตดูอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้มีความทุกข์อะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจหรือไม่ถ้ามีก็ต้องกำจัดมันต่อไปกำจัดมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วถ้านีญานมีวิวมุตติญาณทัศนะก็จะรู้ในตนเองรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลาย ที่มีอยู่ภายในใจนั้นหมดไปเลยอย่างไม่ต้องไปถามใครถามผู้อื่นเขาก็ไม่รู้ในเมื่อเราเองยังไม่รู้แล้วคนอื่นเขาจะรู้เราได้อย่างไรเราเป็นคนที่สามารถมองเข้าไปในใจของเราได้แต่คนอื่นนี้เขาไม่สามารถยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถมองเข้าไปในใจของผู้อื่นได้เช่นตอนที่พระอัญญาณโกนธัญญะ ัรรลุเป็นพระสวัดาบรรลุพระพุทธเจ้าก็รู้ทันทีทรงเป่งว่าอน ญ, ญานโพนธัญญารู้แล้วหนอะรู้แล้วหนอเห็นแล้วหนอะเห็นทำแล้วเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วผู้ปฏิบัตินี้จะรู้เองเพราะจะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาจะรู้ว่าตนเองนี้บรรลุแล้วหรืออย่าง ไม่ต้องไปถามใครเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราไม่ต้องไปถามใครว่าเราอิ่มหรือยังคนอื่นเน่เขาต้องมาถามเราว่าเราอิ่มหรือยังเพราะเขาไม่รู้ว่าเราอิ่มหรือยังอย่างเวลาป้อนอาหารให้ลูกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าลูกอิ่มหรือยังก็ต้องป้อนไปเรื่อยๆป้อนไปจนกระทั่งลูกไม่ยอมรับแล้วเราถึงจะรู้ว่า เขาอิ่มแล้วเขาไม่อาแล้วนี่คือคุณธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากเราปฏิบัติตามที่เขาเที่ยวทรงสั่งสอนไว้คือให้มีมักน้อยสันโดษเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสังคมเมื่อเราไม่สังคมเราก็จะปีกวิเวกได้ เมื่อเปกวิเวกได้เราก็จะมีเวลาที่จะเจริญสติเพื่อรักษาสีงเพื่อเจริญสมาธิเพื่อเจริญปัญญาจเจริญวิมุติและวิมุติญาณทัศนะได้นี่คือทันตอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาและได้ส่งนำเอามาสั่งสอน ให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อพอนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นธรรมะที่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าอยากที่จะได้บรรลุวิมุตติดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จำเป็นจะต้องให้ความสาคัญต่อการเจริญคุณธรรมเหล่านี้พยายามหัดอยู่แบบเรียบง่ายอยู่ตามมีตามเกิดอย่าจู้จี้จุกจิกเพราะมันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญ น, นั่นเองถ้าอยู่แบบเรียบง่ายไม่จู้จี้จุกจิก มีมากมีน้อยก็ก็เอาได้อยู่ได้พอใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนก็จะทำให้มีเวลาที่จะบาเพ็ญบาเพ็ญสติเพื่อให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตติเกิดวิมุตติยานทัศนะขึ้นมา ถ้าเราไม่บำเพ็ญเราก็จะไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมได้ที่มีผู้ถามปัญหาต่างๆนาน า, นานมานี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญตามที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้บำเพ็ญหรืออาจจะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกอย่างละเอียด เวลาศึกษากันก็อยากจะได้สมาธิกันทันทีทันใดอยากจะได้ปัญญากันอยากจะได้วิมุตติกันก็จะมีแต่สอนว่าให้ดูจิตไปเรื่อยๆดูจิตแล้วก็จะหลุดพ้นไปได้แต่ไม่เคยดูว่ามีมักน้อยมีสันโดษหรือเปล่ามีการไม่คุกคีไม่สังคมกันหรือเปล่า มีการเปลีกวิเวกันหรือเปล่าจะหลุดพ้นกันอยู่อยู่ในบ้านในเมืองกันหลุดพ้นอยู่ในท่ามกลางศูนย์การค้าหลุดพ้นในในตามสถานบันเทิงต่างๆตามโรงละครตามโรงน้ำชากาแฟมันจะไปหลุดพ้นได้อย่างไรเพราะนี่มันไม่ใช่เป็นลักษณะของความมากน้อยสันโดษ มันเป็นความมากมากความโลภมากซึ่งเป็นข้าศึกษัตรูต่อความสงบนั่นเองผู้ที่จะได้ความสงบนี้ต้องทำลายความโลภความโกรธความหลงให้ได้ถึงจะสามารถเข้าสู่ความสงบได้หลุดพ้นจากกองทุกได้ไม่ใช่เพียงแต่ดูจิตแล้วก็ ดำเนินชีวิตตามแบบปกติอยากจะดูอะไรก็ดูอยากจะฟังอะไรก็ฟังอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวให้ดูจิตไปตลอดเวลาขณะที่เที่ยวขณะที่ทำอะไรดูไปดูไปเพื่ออะไรถ้าจะดูจิตก็ต้องดูว่ามันมักน้อยหรือเปล่ามันสั่นโดดหรือเปล่ามันสังคมกับ คนนั่นคนนี้หรือเปล่ามันเปรกวิเวกหรือเปล่ามันมีศีลหรือเปล่ามีสติหรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่ามีวิมุตติหรือเปล่าถ้าจะดูจิตต้องดูอย่างนี้ไม่ใช่ดูแบบไม่รู้ดูอะไรมีคนมาถามว่าปฏิบัติ ด, ดูจิตมาถามว่าดูอะไรเขาก็ดูไปอย่างนั้นเขาว่า เวลาดูมันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธแล้วมันก็หายไปเวลาดูมันโลภแล้วมันพอรู้ว่ามันโลภมันก็หายไปแล้วมันกลับมาใหม่หรือเปล่ามันก็ยังกลับมาอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวมันโกรธแล้วพอรู้ว่ารู้ว่ามันโกรธมันก็หายไปเพราะเดี๋ยวมันก็กลับมาโกรธใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาโลภใหม่แล้วเวลาโลภทําตามความโลภหรือเปล่าถ้าไม่ทํามันก็หงดหงิดก็ต้องทําเอ ฉันอยากจะกินกาแฟาก็ต้องกินถ้าไม่กินมันก็หงุดหงิดอย่างนี้มันก็ต้องกินไปเรื่อยๆก็ดูจิตไปเรื่อยๆเวลากินกาแฟาก็ดูจิตไปถ้าดูงนี้นดูไปทำไมดูแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดูแล้วจิตไม่เข้าสู่ความสงบไม่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาดูไปก็อย่าไปดูให้มันเสียเวลาเพราะดูแล้วมันไม่ได้ผล ผลที่เราต้องการได้ก็คือจิตสงบเป็นอุเบกขาปล่อยวางไม่หิวไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นลดผพตะภาถ้าดูแล้วยังยังมีความหิวมีความอยากอยู่มันก็ไม่ได้ผลอะไรดูไปก็เท่านั้นดูไปเป็นการหลอกตัวเองไปเปล่าๆว่าตนเองได้ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนี้ต้องดูที่ผลไม่ใช่ดูที่ดูที่แต่การปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกทางถ้าปฏิบัติแล้วไม่เคยเจอคําว่านัตติสัตติสันติพลังสุขขังก็แสดงว่ายังไปไม่ถึงไหนยังไม่ถึงเป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัติทั้งหมดนี้อยู่ที่คํานี้คําเดียวเท่านั้นนะ นัต ส, สันติพลังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจผู้ใดได้ความสงบของใจแล้วจะทิ้งความสุขทั้งหลายไปหมดมีสามีก็เลิกกับสามีเลยยกให้กับเขาอยากจะมีเมียน้อยกี่คนเอาไปเลยมีสมบัติมากน้อยก็ยกให้เขาไปเลยไม่ต้องการ มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะเวลาที่มีก็กังวลห่วงกลัวมันจะหมดกลัวมันจะหายและเวลามันหายก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่นัตติสันติพลังสุขขังนี้ไม่มีวันหายไม่มีใครที่จะสามารถมาแย่งจากเราไปได้ ถ้าเราสร้างขึ้นมาได้แล้วผลิตขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆผลิตมันขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆมันก็จะให้ความมั่นคงกับเราให้ความสบายอกสบายใจกับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่เดือดร้อน เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่านัตติสันติบาลังสุขขังนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่เป็นที่เป็นเครื่องมือเป็นผู้ผลิต น, นั่นเองสิ่งที่จะผลิตนัตติสันติบาลังสุขขังก็คือสิงคือสตินี่ต้องมี ความมักน้อยความสันโดดตารไม่คุกครีกันการปีกวิเวกถึงจะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาได้เกิดความสุขใจขึ้นมาได้แล้วถ้าจะรักษาความสุขความสงบของใจนี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรก็ต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์นี่คือเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็เห็นไตรลักษณ์ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่อยากได้พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมีอะไรมันก็ดีเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ดีซื้ออะไรมามันก็ดีช่วงซื้อมาใหม่ๆ ใ, ใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็เสียเสื้อผ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขาด เข้าของต่างๆใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียนองหมดไปไม่มีอะไรที่จะไม่เสือ่อมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเสือ่อมมีการเสียมีการหมดสภาพไปเวลามันหมดสภาพแล้วมันจะให้ความสุขกับเราได้อย่างไรเราต้องเห็นความเสื่อมความหมดสภาพแล้วก็ต้องเห็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ เขาต้องเป็นไปตามวาระของเขาตามธรรมชาติของเขาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้เราก็จะสามารถรักษาความสงบของใจได้อย่างถาวร น, นี่คือใจของพระพุทธเจา้าใจของพระอรหันตสาวุกทั้งหลายใจของท่านไม่ทุกข์กับอะไรเพราะท่านไม่มีความอยากได้อะไร มีก็ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่มีอยู่พร้อมที่จะให้สิ่งที่มีอยู่นั้นหมดไปตามสภาพของเขาเช่นร่างกายเวลาตายท่านไม่เดือดร้อนพราโมกรานะท่านมีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถที่ใช้จะใช้อิทธิฤทธิ์ป้องกันชีวิตของท่านได้ท่านก็ไม่ใช้เพราะท่านรู้ว่าก็ใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นในที่สุด ถึงแม้ไม่มีภัยภายนอกมาทำลายร่างกายนี้ร่างกายนี้มันก็ต้องเสื่อมหมดไปตามธรรมชาติของมันเองไม่ต้องให้คนอื่นมาฆ่ามันก็ต้องตายเหมือนกันพระมคคัลาท่านจึงไม่ใช้อิทีเดิดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสูญเสียชีวิตไปท่านยอมรับวิบากของท่านที่เคยได้ทำมาคือยอมตายตามตามวิบากรรม เมื่อถึงเวลาเคยไปฆ่าเขาเขาจะมาฆ่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาฆ่าไปเป็นการใช้หนี้ใช้กรรมกันไปถ้าหนีวันนี้เพิ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่เขาจะตามมาอยู่เรื่อยๆจนกว่าเขาสามารถทําตามที่เขาต้องการจะทําได้พอเขาทําได้แล้วเขาก็จะเลิกลาไปหมดกันไปดังนั้นขอให้พวกเรา ผู้เป็นผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขอให้อย่ามองข้ามคุณสมบัติที่สำคัญเหล่านี้ไปคือความมักน้อยความสันโดษความไม่คุกคลีไม่สังคมกับผู้อื่นการปีกวิเวกเพื่อที่จะได้เจริญสติจะได้มี สติว้รักษาสีสติว้ายทำจิตให้สงบสติให้เกิดปรรัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อให้เกิดวิมุตติและวิมุตติยานทัศนขึ้นมาถ้ายังไม่มีวิมุตติยานทัศนะนี้ก็ยังอาจจะไม่รู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วอย่างแท้จริงหรือไม่เพราะการลุดพ้นก็มี อยู่หลายระดับเช่นเวลาจิตสงบเป็นสมาธินี่ก็จะมีความรู้สึกว่าได้หลุดพ้นเหมือนกันเพราะตอนนั้นกิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่มันก็เป็นความหลุดพ้นชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาม า, มาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็จะรู้แล้วว่า อ, อ๋อตอนนี้ยังไม่หมด กิเลสตัณหายัางไม่หมดก็ต้องพิจารณาตายรักต่อไปพิจารณาใจจนกว่าไม่มีกิเลสตัณหาโผลขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ว่าสำเร็จแล้วบรรลุแล้วหลุดพ้นแล้วอย่างแท้จริงจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงหมั่นเจริญสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพยายามฝึกอยู่แบบเรียบง่าย มากน้อยสันโดษไม่สังคมไม่คุกคีกับใครมากจนเกินไปหรือไม่สังคมไม่คุกคีได้เลยก็ยิ่งดีมันปีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพราะจะเป็นสถานที่ที่จะเพาะบ่มคุณธรรมอันดีงามทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นมาให้เราได้พบกับนัตถิสันติพลังสุขขังคือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปะริปเรนติสาขลงเอวเมวะอิตทินาเปตานาังอุปกัปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุรนตุสังกาปาจันโทปนะระสุยถามณิโชติระสุยถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควีนาสตุมาเตภวทวันตารายสุขีทีคายุโกภวะ อัพิวาธนสีดิตสะนิจังอุทธาปัจจายนโนจตโรทัมมาวะทาติอายุวันโวสุขังพาลัง ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาถามกันถ้าท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาพูดผ่านทางไมโครโฟนถ้ายังไม่มีใครก็จะให้ถามทางอินเทอร์เน็ตก่อนครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโต และกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามข้อแรกจากคุณกระมนลชนกนะครับครั้งนี้โยมมีคำถามในเรื่องการเตรียมตัวในกรณีของผู้หญิงถึงออกบวชในวงเล็บบวชใจหรืออุบาสิกาหยุดงานทางโลกก็ยังต้องมีเงินสำรองเลี้ยงชีพซึ่งในข้อนี้เป็นการยากว่าจะ ควรมีเท่าไหร่เพราะจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรเตรียมตัวด้วยการภาวนาไปเรื่อยๆพร้อมทั้งเก็บเงินไว้บ้างและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทำจะจัดสรรเองนี่คือสิ่งที่เราควรวางใจและสิ่งที่ควรทําที่สุดคือการตั้งใจภาวนาอย่างจริงจังและไม่ท้อแม้จะมีอุปสรรคเข้ามามากเพียงใดก็ตามใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องแล้วถ้าเราภาวนาเป็นอุปสรรคต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าใจมีความสงบแล้วจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปเพราะใจจะเป็นมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดไม่ต้องการนายมากเช่นรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งก็พอแล้ว ที่อยู่อาศัยอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันสงบสงดปลอดภัยถ้าใจไม่สงบแล้วมันจะมีเกลเลตตันหาออกมารบกวนทำให้ยุ่งยากต่อสิ่งต่างๆคือจะไม่มีความรู้สึกว่าพอดีแต่ถ้าภาวนาแล้วได้ผลจากการภาวนาถ้าใจสงบแล้วเท่นี้ ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าใจยังไม่อุยังไม่สงบสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือกิเลสตัณหาของเรานั่นแหละมันไม่ใช่อะไรมันก็แปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ยากสิ่งนั้นลำบากแต่ถ้าใจสงบแล้วมันจะเห็นว่าง่ายเป็นหมดันั้นถ้าถ้าจับประเด็นนี้ได้แล้วสามารถจเจริญภาวนา ให้จิตสงบได้ก็เมื่อถึงเวลาที่จะไปก็จะไปได้อย่างง่ายดายคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับซึ่งมีคำถามจำนวนมากนะครับข้อที่หนึ่งนะครับดิฉันเข้าใจมาตลอดว่าการพิจารณาวิปัสนาคือพิจารณาขณะอยู่ในสมาธิหลังจากอยู่กับความว่าง คล้ายศูนยากาศพอมาฟังพระอาจารย์สุชาติท่านจะบอกว่าพอออกจากสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสนาเจริญปัญญาพิจรารณาไตรลักษณ์แรกๆยังเข้าใจว่าออกจากความว่างนั้นแล้วเจริญวิปัสนาต่อในขณะนั่งสมาธิฟัง YouTube จากปัจจุบันย้อนมาอดีตฟังมาถึงวันที่15มิถุนายน2557 ฟังหลายๆเทปเริ่มรู้สึกว่าท่านสอนว่าให้ออกจากสมาธิแล้วพิจารณาวิปัสนาท่านจะบอกว่าออกจากสมาธิแล้วเราไม่พิจารณาวิปัสนาไตาลักการทําให้ความอยากเข้ามาแทนอุเบกขาอยู่หลายครั้งคําว่าออกจากสมาธิหมายถึงถอนจิตจากสมาธิแล้วลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นเลย แล้วก็พิจารณาวิปัสนาหรือไตลักษ์ตลอดวันไม่ใช่ถอนจากสมถะแล้วพิจารณาไตาลักษต่อในขณะนั่งสมาธิใช่ไหมคะก็ได้ทั้งสองอย่างคือคำว่าสมาธิก็คือจิตสงบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับนอนหลับเวลา น, นอนหลับเราก็เอาไปทำงานไม่ได้ เราจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราค่อยทำงานการทำงานของเราก็ทำได้สองรูปแบบทำงานในเตียงก็ได้นอนคิดถึงงานที่เราจะทำเตรียมตัววางแผนไว้ก่อนนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำงานแล้วพอเราตื่นขึ้นมาแต่เรายังไม่รู้จากเตียมเรากา็คิดไปในใจว่าเราจะทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำงาน แล้วพอเราลุกจากเตียงขึ้นมาอาบน้าแต่งตัวแล้วออกไปทำภารกิจที่เราได้วางได้คิดไว้อันนี้ก็เป็นการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาก็แบบเดียวกันเวลาจิตว่างจิตสงบนี้พิจารณาไม่ได้เพราะจิตไม่ทำงานความคิดปรุงแต่งไม่ทำงานจะไปพิจารณาได้อย่างไรก็รต้องรอให้ออกจากความสงบก่อน พอออกจากความสงบแล้วเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาจะคิดต่อในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิก็ได้หรือจะลุกขึ้นออกมาเดินจงกรมหรือมีภารกิจอะไรที่ต้องทำทำไปควบคู่กับการพิจารณาก็ได้ทำอะไรก็พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนี่มันก็ชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ถาวรทำไปเพื่อเพื่อเพราะมีเหตุจำเป็นจะต้องทาก็ทาไป ทำแล้วก็ผ่านไปก็จบไปไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่อะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ของชั่วคราวมีเหตุจำเป็นจะต้องทำก็ทำไปเวลาเสียไปก็ไม่เสียใจเวลาได้มาก็ไม่ดีใจเฉยๆรักษาอุเบกขาต่อไปแต่ถ้าเกิดความอยากให้ดีให้มันได้มาแล้วให้มันอยู่ไปนาน มันก็จะเกิดความกังวลขึ้นมาแล้วมันจะอยู่หรือเปล่าก็ห่วงกังวลวิตกว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําให้มันไม่อยู่อันนี้มันก็ต้องใช้ปัญญาคอยสักก่นอนเพราะฉะนั้นเวลาออกจากสมาธิแล้วจิตเริ่มคิดมุงแต่งแล้วแต่ยังนั่งอยู่ในสมาธิจะพิจารณาต่อก็ได้ อ, อ, อยากจะพิจารณาเรื่องไหนก็พิจารณาไป หรือว่าถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนก็ให้พิจารณาดับความทุกข์นั้นให้ได้เช่นเวลานั่งแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาออกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มเจ็บปวดตรงนั้นเราก็พิจารณาความเจ็บปวดนั้นเพื่อที่จะดับเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเพราะเวลาเกิดความเจ็บปวดในใจของเราจะเกิดความทุกข์ตามมาด้วยสิ่งที่เราต้องการกําจัดก็คือความทุกข์ใจ สิ่งที่เราไม่ต้องการกำจัดก็คือความความเจ็บของร่างกายเพราะความเจ็บของร่างกายเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาหายได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราสั่งให้มันหายได้ด้วยการพิจารณาหาเหตุผลที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็สอนใจว่าอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปเพราะอยากก็ไม่หายอยู่ดีมีแต่จะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆช่วเราทำใจดีกว่าทำใจอยู่กับความเจ็บไปยอมรับความเจ็บว่าเราไปจัดการเขาไม่ได้กำจัดเขาไม่ได้ พอเรายอมรับเราหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ของเรื่องของของใจก็หายไปอันนี้ก็เป็นการวิปัสสนาละการวิปัสสนาก็เพื่อดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือความทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เตรียมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเช่นความตายนี่ยังไม่ตายวันนี้แต่มันต้องตายแน่ๆสักวันหนึ่งก็เตรียมตัวซ้อมไว้ก่อนเตรียมตายกันไว้ก่อนว่ เวลาตายเราจะทุกข์ไหมาถามตัวเราเองถ้าทุกข์ก็ต้องหาวิธีดับมันให้ได้ความกลัวตายก็คือความอยากอยู่นั่นเองความทุกข์ก็เกิดจากความอยากไม่ตายถ้ายังมีความอยากไม่ตายอยู่มันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ห้ามันไม่ได้อยากยังไงมันก็ตายอยู่ดียั้นความอยากไม่ตายนี้เป็นตัวอันตรายเป็นตัวพิษเป็นยาพิษ เราต้องกำจัดยาพิษนี้ออกไปจากใจของเราด้วยการไม่มีความอยากไม่ตายเหมือนจะตายก็ปล่อยมันตายไปห้ามมันไม่ได้พอเรากาจัดไอความอยากไม่ตายได้แล้วทีนี้เราก็จะไม่กลัวตายเราจะไม่เดือดร้อนกับความตายอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันแต่ยังไม่เกิดขึ้นเราซ้อมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว ลองพยายามถามตัวเองว่าเราถอนให้พิษตัวนี้ออกไปได้หรื อ, อยังถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเราไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเราถอนไปได้แล้วในระดับหนึ่งแต่ยังอาจจะไม่รู้ว่าหมดหรื อ, อยังเราก็ต้องไปหาที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายเดี๋ยวเวลาเจออยู่ในที่เราที่หวาดกลัวแล้วยังกลัวอยู่หรือเปล่าถ้าเราไปอยู่ที่ในหวาดที่เราเคยหวาดกลัวแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราไม่หวาดกลัวแล้ว หรือเรากวากลัวแล้วเราโปร่งได้เราทําใจให้กลับมาสู่ความสงบให้กลับมาเป็นปกติได้ความกลัวหายไปได้ด้วยปัญญามันก็มันก็มันต้องเห็นตายรักต้องเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ต้องเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความความอยากไม่ตายแล้วพอเราดับความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ก็หายไปทีนี้มันก็ ต่อไปมันก็จะไม่กลัวถึงเวลาตายมันก็มั่นใจว่ามันไม่กลัวมันไม่ทุกข์อันนี้ก็เรื่องวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนานี้สามารถจเจรินได้ตลอดเวลาแม้ขณะนี้พวกเราก็กำลังจเจริญวิปัสสนากันแต่เป็นวิปัสสนาผ่านการได้ยินได้ฝังคือเรายังคิดไม่คิดเองไม่เป็นก็ต้องอาศัยคนที่เคยคิดเป็นแล้วมามามามาบอกเราถ้าเราเอา วิธีนี้ไปคิดต่อต่อไปเราก็จะคิดเองได้ต่อไปเราก็จะเจริญวิปัสสนาเองได้ตอนนี้ต้องมาอาศัยผู้ที่เขาได้เจริญวิปัสสนามาแล้วมาแนะแนวความคิดให้คิด ใ, ในในทางนี้แล้วเราก็เอาไปคิดต่อวเวลาเกิดความทุกข์ถ้าเรามองเห็นตายรักได้เราก็จะดับความทุกข์ได้เราก็จะรู้ว่าเออเรามีวิปัสสนาเรามีปัญญา ต่อไปเราไม่กลัวแล้วเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อมความสูญเสียอะไรต่างๆเพราะเรารู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาแต่ขณะที่จิตนิ่งสงบสัตว์แต่ว่ารูน้นี้วิปัสสนาไม่ได้แล้วไม่ควรวิปัสสนาไม่ควรดึงจิตออกมาเพราะว่าเรากําลังสร้างฐานกําลังของ ของจิตให้ต่อให้ไว้ใ ห, ใ ห, ให้ให้มีกําลังที่จะทําใจการทําใจก็คือให้ใจนิ่งสงบเป็นอุเบกขานี่เองถ้ามันนิ่งได้นานเท่าไหร่มันก็จะมีกําลังมากขึ้นฉะนั้นถ้ามันนิ่งไม่นานมันก็มีกําลังน้อยฉะนั้นต้องให้มันนิ่งนานเวลาจิตสงบแล้วต้องพยายามให้มันสงบนานๆถ้ามันสงบไม่นานก็ให้มันกลับเข้าไปใหม่ก่อนทําสมาธิให้มันแน่นตึงก่อน ให้จิตมีความแน่นปึงก่อนแล้วค่อยออกค่อยไปทางวิปัสสนาข้อที่สองนะครับเริ่มเข้าใจว่าเราจะหลุดพ้นจากวัถะก็ด้วยการไม่มีความอยากอะไรในรูปเสียงกิรลดโผฏฐัตตะกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเมื่อมีความอยากให้พิจารณาไตรลักษณ์อริยสัจสี และวางอุเบกขาถูกหรือไม่ถูกแล้วถูกแล้วข้อที่สามนะครับเราจะไม่เกิดอีกก็ต่อเมื่อจิตขณะจะออกจากร่างวางอุเบกขาไม่อยากทั้งสิ้นวางทุกสิ่งแต่ถ้าเราไม่ฝึกวางอุเบกขาจนชินจะตายเกิดทนเจ็บทนปวดไม่ไหวแต่ก็ไม่อยากเกิด ไม่ห่วงอะไรใดๆผลจะเป็นอย่างไรคะทนไม่ไหวจิตไม่ว่างตอนนั้นนึกอยากอะไรก็ไปเกิดตรงนั้นอย่างนี้หรือเปล่าก็มันมันถ้ามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องไปไปมันก็ต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมไม่ได้ตามที่เรานึกไว้ถ้านึกไว้ก็ดีเลยเวลาตายก็นึกถึงพระ น, นิพพานมันไม่ไปนิพพานเนี่ยมันจะไปตามบุญตามกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ ข้อที่สี่นะครับถ้าสรุปว่าวางอุเบกขาได้ส่วนหนึ่งก็เป็นโสดาบันได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นอนาคาได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสกิทาคาวางอุเบกขาได้ทั้งหมดก็ไม่เกิดจะถูกไหมคะคือละในแต่ละขั้นที่ให้ละโดยการวางอุเบกขามีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้หรือหลายเรื่องฟังหลายครั้ง ก็ยังไม่เข้าใจทําให้เราตีความแคบไปไหมว่าแค่วางอุเบกขาแต่ละขั้นให้ได้ก็มันมีอยู่4ขั้นเนะ่ยเมื่อกี้เรียงลําดับผิดเนะีอนาคามีมาทีหลังสกิราคามีสกิราคามีมาก่อนอนาคามีสกิราคามีก็วางไหววางกา马拉กา马拉าคะคือกามรมณ์แต่ยังปล่อยไม่ได้หมด ปล่อยได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือทําให้กามะราคะเบาบางลงไปแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ปล่อยวางได้หมดเลยไม่มีกามอารมณ์ไม่มีความอยากที่จะเสกกามก็จะไม่ต้องมีร่างกายต่อไปแต่เมื่าถ้ายัางไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่รู้จะมา มาหาอะไรเพราะว่าไม่ไม่มีความอยากในกามอีกแล้วอันนี้ก็อยู่ที่การจเจริญตายลักษณ์นี่แหละแล้วก็จะหยุดความอยากได้ข้อที่ห้านะครับถ้าเคยนั่งสมาธิบนเบาะทันยพืชไม่ใช่นุ่นหรือสำมลีหนาเกือบหนึ่งคืบแล้วสงบอยู่ในความว่างสองชั่วโมง ไม่รู้สึกเจ็บเลยสุกเย็นทำได้ครั้งเดียวเราเลิกเพราะไม่รู้ว่าเป็นการเสริมกิเลสหรือเปล่าแต่นั่งบนพื้นเสือนั่งได้ไม่เกินสี่สิบนาทีก็ทนปวดไม่ไหวจะนั่งที่ไหนดีคะเราต้องการพลังจิตหรือต้องการผ่านเวทนาอันไหนก่อนกันคะก็ต้องต้องแล้วแต่เราจะทาอันไหนมันมาก่อนก็ต้องเอาอันนั้น ถ้าได้พลังจิตก่อนก็เอาพลังจิตก่อนถ้าไม่ได้พลังจิตก็ต้องสู้กับทุกเวทนาก็ต้องพิจารณาทุ ก, กเวทนาให้มันผ่านไปได้แะแลวคนนี้บางทีก็จะไปเลือกมันไม่ได้ทางที่ดีเวลานั่งอย่าไปนั่งบนเบาหนาๆนานิ่มๆควนจะนั่งบนพื้นแข็งๆเนี่ยปูเสื่อก็พอหรือปูผ้าเวลาพระไปทุ ด, ดงนี่ท่านไม่ได้แบบ เบาไปด้วยนะท่าก็นั่งตามมีตามเกิดตามแค่ตามอะไรไปไม่สำคัญหรอกนั่งตรงไหนถ้าจิตมีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบเร็วมันก็จะผ่านมันมันก็จะไม่สัมผัสกับทุกขเวทนาแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอมันออกจากสมาธิก็นั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องเจอทุกขเวทนาจนได้ พอเจอแล้วทีนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแล้วถึงจะผ่านทุกขเวทนาได้อย่างถาวรถ้าใช้สติก็จะผ่านชั่วคราวเช่นวอดเวลาเจอทุกขเวทนาก็บริกรรมพุทธโธให้ทีไม่ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายจิตก็เข้าสู่ความสงบไปได้มันก็หายเจ็บไปแต่มันก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอความเจ็บแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้ว ก็จะทุกครั้งที่เจอความเจ็บจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปไม่ต้องหนีมันอยู่กับมันได้อยู่กับมันมันจะเจ็บขนาดไหนก็รู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆเป็นอุบเบกขาไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปอันนี้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นสมถะเป็นสติก็คือเวลาเจอความเจ็บกลัวไม่อยากจะเจอมันก็เข้าหาพุโทโธกอดพุดโทโธไว้ให้นั่นพุโทโธให้ที่แล้วพุโทโธก็จะเดึงเข้าสู่ความสงบ มันก็จะหายเจ็บแต่มันไม่หายกลัวความเจ็บความเจ็บก็กลัวความกลัวความเจ็บก็ยังมีอยู่ทุกครั้งที่เจอมันก็จะกลัวมันจะหนีจะวิ่งหนีแต่ถ้าใช้วิปสัสสนาแล้วต่อไปจะไม่กลัวมันเพราะจะรู้ว่ามันไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความอยากให้มันความเจ็บหายไปที่เราต้องทำลายให้ได้ มันก็มีสองขั้นตอนในการพิจารณาต่อสู้กับทุกขเวทนาส่วนเรื่องการนั่งสมาธินี้เราจะไปกำหนดว่าให้มันสงบมีพลังก่อนว่าค่อยมาพิจารณาทุกขเวทนาถ้าเกิดมันนั่งไปแล้วมันเจอทุกขเวทนาเราก็ต้องใช้สองวิธีนี้สู้กับมันไปถ้าเรายังใช้ปัญญาแยกแยะไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นเราก็ใช้ส ม, มะถะใช้สติ หรือการบริกรรมพุทโธเรือการสวดมนต์หรือการใช้อะไรเป็นอุบายที่ทำให้เราไม่ไปคิดถึงความเจ็บให้ได้เราก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้ก็ใช้ได้เห็นเวลาปฏิบัติบางทีเราเลือกไม่ได้เหตุการณ์นี้จะเลอกไม่ได้ว่าขอให้ชั้นแก่ก่อนค่อยเจ็บให้ฉั้นแก่ก่อนก่อนตายมันก็เลือกไม่ได้บางทีมันตายก่อนแก่ก็มี อายก่อนเก็บก็มีข้อที่หกนะครับได้ฟังตอนที่คนถามว่าให้จำว่าเราทำถึงไหนแล้วพระอาจารย์ตอบว่าเหมือนทำอาหารต้องจำสูตรว่าใส่อะไรเท่าไหร่คราวหน้าจะได้ทำให้ได้รสชาติเดิมยังไม่ค่อยเข้าใจยกตัวอย่างแบบนี้ได้ไหมเช่นเริ่มนั่งลมหายใจหยาบสักห้านาทีลมก็ละเอียดขึ้น พอมาคราวหน้าเริ่มนั่งสมาธิปุ๊บเราก็พยายามทำลมให้ละเอียดเลยเหมือนกระโดดข้ามขั้นไปเลยได้ไหมเพราะก็สังเกตถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติไม่จำของเก่าเราจะเริ่มที่หยับหยบและนานมากกว่าจะถึงจุดที่ละเอียดจะเป็นสัญญาไหมคะทำไงก็ได้ขอให้มันสงบก็แล้วกันน่ ข้อที่7นะครับถ้าชอบโกรธหรือเรียกว่าลาคาญบ่อยๆจะพิจารณาวางอุเบกขาอย่างไงคะเช่นเราวางของไว้ที่นี่มีคนย้ายของเราไปด้วยความหวังดีกลัวเราลืมพอเราไปหยิบก็หาไม่เจอก็โกรธจะพิจารณาไตรักอริยสัจสี่วางอุเบกขาอย่างไงคะหรือเช่นเราเห็นเรื่องนี้ทําง่ายๆแต่อีกคนพยายาม ทำให้ซับซ้อนให้ยุ่งยากแล้วเราลำคาญความเยอะของเขาจะพิจารณายังไงให้ไม่โกรธครก็อย่าไปเอาใจตัวเองอย่าไปทําใจอย่าไปทําตามความอยากของตนเองความอยากของตนเองพอมันไม่ได้เป็นไปตามที่ความอยากของตนก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเช่นอยากจะทําง่ายๆแต่คนหนึ่งก็อยากจะทํายากๆก็เปหงุดหงิดลำคาญกับเขา อยากจะวางของไว้ตรงนี้ไม่ให้ใครแตะพอใครมาแตะเข้าก็โงดิบนะฮะงั้นอย่าไปมีความอยากทําใจให้เป็นสันโดษเอยินดีตามมีตามเกิดวางไว้ตรงนั้นใครจะหยียบก็เรื่องของเขาห้ามเขาไม่ได้งานวิธีการทํางานก็จะทําแบบยุ่งยากก็เรื่องของเขามั่วต้องร่วมงานกับเขาก็จะทําแบบนั้นก็ต้องเอากับเขาถ้าไม่อยากจะยุ่งยากกับเขาก็กทําคนเดียวเอ คำถามข้อต่อไปจะคุณพี่หมอแอนนะครับตอนนี้สวดมนต์ในใจขณะนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะได้เพียงสามสิบนาทีใจมันก็เริ่มมีอาการบอกกับตัวเองว่าเอาละพอแค่นี้หมดหน้าที่แล้วทุกๆครั้งที่นั่งสมาธิซึ่งพยายามฝืนทำต่อก็เริ่มฟุ้งซ่านตามมากรณีเช่นนี้เกิดจากเจริญสติไม่มากพอใช่ไหมเจ้าคะ แล้วจะแก้ไขให้นั่งเพื่อให้จิตสงบนาน น, านต้องทําอย่างไรก็ถูกแล้วเนะี่ยสติไม่กําลังแพ่สามสิบนาทีก็ต้องสร้างสติให้มันมีมากขึ้นในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องพยายามควบคุมจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ถี่ขึ้นให้ต่อเนื่องมากขึ้นให้สวดมนต์ไปในขณะที่เรายังไม่มานั่งก็ได้ เวลาเราทางานทาการหรือทาอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็สวดมนต์ไปภายในใจเช่นเวลาเข้าห้องน้านี่ก็สวดได้เนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดเวลาทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้ำอาบท้าแปรงฟันไม่ต้องใช้ความคิดก็สวดมนต์ไปเลือกพูดโธไปอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าถ้าปล่อยมันคิดก็แสดงว่าไม่มีสติหยุดมันสติไม่มีกำลังถ้าเรา ดึงไว้ได้ได้เรื่อยๆด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุโทโธเวลานั่งต่อไปก็จะมีกำลังที่จะนั่งได้นานขึ้นยาวขึ้นแต่ความจริงเวลานั่งจริงๆเราไม่ต้องการความยาวหรือความอะไรเราต้องการความสงบถ้าเรานั่งแล้วนั่งยาวแต่ไม่สงบมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีสู้นั่งเดี๋ยวเดียวแล้วสงบแล้วนานานี้จะดีกว่านั่งนานแต่ไม่สงบไม่ดีนั่งนานแล้วต้องสงบด้วยถึงจะดี นั่งห้านาทีสิบนาทีก็สงบไปอีกสี่สิบห้าสิบนาทีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าดีแต่ถ้านั่งไปก็ต้องสวดวนไปทั้งห้าสี่สิบห้าสิบนาทีนี้ก็แสดงว่าการสวดนี้ก็ยังไม่ต่อเนื่องสวดไปก็แวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่มันก็เลยไม่สงบถ้ามันสวดอย่างเดียวมันเดี๋ยวเดียวมันก็สงบได้ยังต้องอย่าไปดูเวลาเพียงอย่างเดียวต้องดูว่า สติของเราต่อเนื่องหรือไม่ยังมีรูโว่มีช่องโว้มันวัดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีต้องปิดรอยโว่ช่องโหว่ให้ได้ต้องบังคับจิตให้ให้ตั้งใจสวดจริงๆอย่าไปสวดแบบสวดแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้ควบคู่กันไปอย่างเรียกว่าเป็นสองจิตสองใจต้องใจหนึ่งใจเดียว ต้องมีแต่บทสวดมวนต์อย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งมาเกี่ยวข้องด้วยแล้อย่างนี้สวดไปไม่นานจิตก็จะสงบจะเย็นก็จะหยุดสวดไปเองแล้วก็จะนั่งเฉยๆเป็นอุบเบกขาไปได้หรือถ้ามันยังไม่รวมเต็มที่ก็ใช้การเฝ้าดูลมต่อไปก็ได้นะดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับลมลมจะหยาบจะละเอียดไม่ต้องไม่สาคัญสาคัญให้มีที่เกาะไว้เพื่อจะได้ไม่ไปคิดมูงแต่ง ถ้าไม่คิดตรงแต่งแล้วนั่งอยู่เฉยๆได้เป็นอุนเบกขาได้ก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ก็ปล่อยมันนั่งไปเฉยๆเงียบๆของมันไปมันจะลงลึกไม่ลึกก็ไม่เป็นปัญหาเลยตามมันนจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามผลของมันคําถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับเคยถือศีลแปดสามเดือนช่วงเข้าพรรษาเมื่อสามปีที่แล้ว ด้วยมีความปรารถนาอยากไปอยู่วัดเหมือนญาติธรรมที่เขามีโอกาสปฏิบัติได้ทุกปีแต่มาได้ทราบภายหลังหลวงพ่อพุทธท่านไม่เห็นด้วยดังนั้นที่ทามาครั้งก่อนนั้นเป็นบาปใหม่เจ้าคะปัจจุบันยังทำงานอรอเกษียณ ง, งานอยู่คิดแต่อยากเข้าวัดทุกวันแต่ก็ยังติดอยู่เจ้าคะ่ะ มันเสียหายตรงไหนถือศีลแปดไปไปไปได้ยินจากที่ไหนว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าการถือศีลแปดไม่เห็นด้วยคงจะเข้าใจผิดเพราะกูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็สอนให้ถือศีลกันให้เข้าวัดกันยังคิดว่าคงจ ะ, ะเข้าใจผิดได้ได้ยินมาผิดเยอะมากกว่าขอให้จาไว้ว่าการรักษาศีลแปดนี้เป็นสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์มากอย่างที่พุทธเจ้าบอกศีล น, นี้เป็นเครื่องอบรมสมาธิสมาธิที่ที่มีศีลอบรมนี้จะมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากถ้าไม่มีศีล น, นี้จะทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ได้เช่นถ้ายังอยากเที่ยวอยู่นี้จะมีเวลามานั่งสมานาสมาธิได้อย่างไร คนที่ถือศีลแปดนี้แสดงว่าเขาตัดความอยากเที่ยวได้แล้วไม่ต้องไปหาความสุขทางด้านมหจรสพบันเทิงต่างๆไม่ต้องไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากการหลับนอนบุญฟุ้งหนาๆนานๆ น, น, น, น, น, นี่คืออันดิสงที่จะได้รับจากการรักษาศีลแป จะทำให้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญาต่อได้เลยเพราะฉะนั้นคิดว่าคงจะไปฟังผิดมากกว่าเพราะว่าเชื่อว่าคนอย่างหลวงพ่อพุธคงไม่ห้ามเรื่องการรักษาศีลแปดคำถามข้อต่อไปจากคุณคิตตี้เก่านะครับ มีอุบายวิธีใดในการแก้ไขทิฐิมานะในตนเองเช่นมักมีความรู้สึกยินดีเวลาทําอะไรได้ดีหรือเหนือกว่าผู้อื่นก็นให้ทําตัวให้เป็นภาคที่ริยวไว้อยู่เรื่อยๆที่ว่าเรายังไม่ดีพออยู่เรื่อยๆทําดีขนาดไหนก็ยังไม่ดีพอขอให้เราทําความดีต่อไป แล้วก็อย่าทำความดีเพื่อตัวเราเองทำความดีเพื่อให้จิตของเราสงบจิตของเราไม่วุ่นวายอย่าทำความดีเพื่ออยากจะทำความดีเพราะมันจะเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาทำความดีเพื่อให้ใจสบายมีความสุขทำความดีเพื่อลดละอัตราตัวตน อย่าไปถือตัวอย่าไปคิดว่าเราเก่งเราเด่นเราดีอย่าไปเปรียบเทียบกับใครขอให้เราทำไปเพื่อความสงบเพื่อความสบายใจหรือถ้าเปรียบเทียบก็ให้เปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่สูงกว่าเราหรือเปล่าครับอาจารย์เราจะได้รู้สึกว่าเราต่ำกว่าเขามันก็อยู่ที่ว่ามันจะคิดไปทางไหน คิด <K ill ain> ไปในทางหนึ่งมันก็ถ้าคิดทางกิเลสมันคิดยังไงมันก็เป็นกิเลสอย่างนั้นเช่นคิดว่าคนอื่นเขาสูงกว่าเราก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจถ้าเกิดคิดว่าเราสูงกว่าเขาก็เกิดความหลงตัวเองแต่ถ้าคิดในทางธรรมมันก็จะเป็นธรรมเช่นถ้าเห็นคนอื่นเขายังเก่งกว่าเราเรายังเก่งสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องฟิตตัวเราเองให้เก่งให้เหมือนเขาเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าก็อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าปฏิบัติ มันมันแล้วแต่ว่าจะคิดด้วยอะไรถ้าคิดด้วยกิเลสมันก็อย่างไงมันก็เป็นกิเลสจนได้แต่ถ้าคิดด้วยธรรมก็มันก็จะเป็นธรรมเสมองนั้นวิธีแรกที่ควรจะทำํำในการลดละอัตตาตัวตนก็คืออัตธรรมตัวให้เป็นผ้าที้เหลวเลยเป็นปะทพีอย่าไปถือตัวว่าตนเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอให้คิดว่าตนเองเป็นเหมือนปะทพีเป็นเหมือนแผ่นดิน ใครจะอุดจะละปัสวะใส่แผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะเหยียบใครจะย่มใครจะขุดใครจะทำอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนขอให้ทำตัวเราทำใจเราเป็นเหมือนแผ่นดินให้หนักแน่นให้รับกับทุกสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้คิดว่าเราเป็นแผ่นดินหรือเป็นภาคีริ้วก็ได้าคีริ้วเขาจะาไปเช็ดอะไรก็ได้ แต่ไปถูพื้นก็ได้ไปเช็ดอุจจระก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นผ้าไหมผ้าแพงนี่เดี๋ยวเข้าไปเช็ดอุจระเราก็จะเสียใจคำถามข้อต่อไปจากคุณทอมนะครับผมนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วจะปิ้ง <laughs> สมองจะโล่งตัวเบาพอสักพัก จิตคิดถึงเรื่องต่างๆไม่กลับมาสงบอีกเลยแล้ววันต่อมานั่งก็ไม่ปิ๊งแล้วครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําแนวทางก็ปล่อยสติไงไม่รักษาสติต่อไปสตินี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาตลอดเวลาเวลาได้สมาธิก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาออกจากสมาธิก็ต้องเจริญสติต่อ ไม่ใช่พอได้สมาธิหนึ่เดียวแล้วก็เริกเจริญสติพเพราะเริกเจริญสติคราวหน้ามานั่งก็จะเกิดความอยากให้มันสงบเหมือนคราวก่อนแต่คราวก่อนมันสงบด้วยสติแต่คราวนี้มันมันไม่มีสติมันก็จะไม่สงบมันก็จะฟุ้งซ่านก็จะมีแต่ความอยากอยากให้มันสงบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกจากเวลาจะออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องเจริญสติต่อไปเจริญสติจนกระทั่งมันเป็นนิสัย สตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะได้สมาธิก็ต้องมีสติจะรักษาสมาธิก็ต้องมีสติรักษาจะเจริญปัญญาก็ต้องมีสติจเจริญปัญญาดงนั้นสตินี้จําเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรต้องฝึกให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําเสมอควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่างให้มากที่สุดให้คิดให้น้อยที่สุด แล้วจิตก็จะมีสติรักษาเวลาจะเข้าสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเวลาพิจารณาทางปัญญาก็จะอยู่กับเรื่องของปัญญาไม่แวบออกไปเรื่องของกิเลสตัณหาฉะนั้นส่วใหญเ่เวลานั่งสงบแล้วดีใจแล้วลืมสติไปพอลืมสติว่ามันสงบเดียวเดียวมันก็หายไปแล้ว พอออกมาแล้วก็คิดถึงความสงบนั้นไม่เคยคิดถึงการเจริญสติต่ออพอมานั่งสมาธิทีนี้นั่งก็ไม่สงบแล้วเพราะลืมเรื่องสติไปแล้วจําได้แต่ความสงบจําได้แต่ผลลืมเหตุเนี่ยที่ท่านบอกว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วให้คิดถึงเหตุว่าเราทํำยังไงมันถึงทําให้เราสงบเหตุก็คือสตินี่แหละเราทํายังไงเรามีสติอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบข่าวหน้าถ้าเราอยากจะให้มันสงบสติก็ต้องต่อเนื่องไม่ใช่ขาวหน้านั่งไม่มีสติมีแต่สัญญาอารมณ์คิดถึงคิดถึงความสงบแล้วก็อยากให้ความสงบนั้นกลับมาใหม่ถ้านั่งแบบนั้นนั่งไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะฉะนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องรักษาสติต่อไปจเจริญสติต่อไป ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีสติคอยควบคุมกํากับดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทำอยู่หรือให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กําหนดเป็นที่สร้างสติก็คือเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธออกจากสมาธิมาก็บริกรรมพุทโธต่อไปไปทำอะไรก็พุทโธไปเรื่อยๆต่อไปพอ อยากจะกลับมานั่งสมาธิก็พุโทโธต่อถ้าเดียวมันก็สงบได้คำถามขอยกไปพรุ่งนี้ต่อครับแต่ว่ามีคำถามส่วนตัวครับอาจารย์การฝาร่าฝืนกฎจราจรเป็นบาปไหมครับอาจารย์และมีผลต่อการปฏิบัติไมครับอาจารย์คือกฎระเบียนนี้มันก็เป็นเหมือนศีลเพียงแต่ว่ามันเป็นศีลข้อย่อยคือไม่มีโทษรุนแรงเหมือนกับ ศีลห้าศีลห้านี้มันมีโทษรุนแรงกว่ากฎระเบียบแต่กฎระเบียบบางอย่างมันก็ทำให้เกิดโทษระดับศีลห้าได้เช่นกฎจราจรนี้ถ้าเราฝ่าฝืนก็อาจจะไปขับรถชนผู้อื่นตายได้เพราะฉะนั้นถามว่าบาปไหมถ้าทำแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายก็บาปแต่ถ้าทำแล้วผู้อื่นไม่เสียหายก็ยังไม่ถือว่าบาป บาปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนหรือตอนเองเสียหายเดือดร้อนก็ถือว่าบาปเหมือนกันเช่นฆ่าตัวเองนี่ก็บาปใช่ไหมอย่างถ้าไปทำผิดกฎหมายแล้วต้องถูกปรับนี่ก็บาปนะเสียเงินเสียทองเดือดร้อนนะเป็นแต่ว่ามันบาปหนักบาปเบาเนั้นเพราะฉะนั้นฝึกหัดให้มีความนิสัยเคารพกด ระเบียบต่างๆเพราะสังคมนี้จะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันก็ต่อเมื่อทุกคนเคารบกฎระเบียบพรากฎระเบียบนี้จะเป็นตัวที่จะรักษาความสงบร่มเย็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบทุกคนทําตามอําเภอใจมันก็มักจะเกิดปัญหาเกิด เรื่องวุ่นวายต่างๆตามมาอ่าถ้าไม่มีกฎจราจรดูลองไปขับรถดูอาไปไม่มีไฟเขียวไฟแดงที่สีแไม่มีโทษไม่มีปรับถ้าอยากจะขับไงก็ขับได้คิดดูรถมันจะวิ่งไปไหนได้เปล่าเดี๋ยวมันก็ติดกันยาวเหยียบเพราะมันชนกันสี่แยกไหนมันก็ต้องเจอกันมันก็ต้องชนกันเอย่าง ท, ที่รถลาวิ่งไปมาวิ่งไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกแต่แม้ว่าจะไม่รวดเร็ว เพราะถนนมันน้อยรถมันมากแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอถูไถายไปได้ถ้าเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบดูเนี่ยเราวันไหนไฟแดงไฟเขียวไฟดับดูเนยแล้วไม่มีตำรวจมาคอยเฝ้าตามสี่แยกดูดูมันจะวิ่งไปไหนกันได้หรือเปล่าต่างคนก็อยากจะไปด้วยกันทั้งนั้นนะมันก็ไปติดกันตรงนั้นแนะ่ะดังนั้นกฎระเบียบมีไว้เพื่อให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันละกัน งการฝ่าฝืนก็เปนเหมือนกับการทำบาปเป็นแต่ว่าเป็นการบาปเล็กบาปย่อยไม่ใช่บาปหนักแต่ถ้าโทษมันหนักก็ถือว่าเป็นบาปหนักได้งั้นพยายามฝึกนิสัยให้มีวินัยวินัยก็คือการขับลบกฎระเบียบพระก็มีวินัยนอกจากศีลแล้วพระก็มีวินัยอย่างศีลของพระที่เราเรียกว่าศีลสองร้อยี่สเจ็ดนี่ความจริงศีลจริงๆมีแค่สี่ข้อเท่านั้นแหละคือปาลปราชิกสี แล้นั่นเราถือว่าเป็นกฎระเบียบข้อข้อปฏิบัติเพื่อให้พระเป็นผู้ที่น่าชื่นชมน่าเคารพกราบไหว้บูชานะถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบเดี๋ยวพระก็พูดจะไปเกี่ยวพาราศีกับศีกาอย่างนี้มันก็ไม่บาปมันไม่ได้เป็นร่วมหลับนอนกับเขาแต่ไปเกี่ยวพาราศีไปอ่ารนี้มันก็ไม่เหมาะแล้ว บาปจริงๆมีสี่ข้อเช่นการร่วมหลับนอนกับสีการนี่ถือว่าบาปขาดจากความเป็นพระการฆ่ามนุษย์นี่ก็บาปการรักทรัพย์ก็บาปก็บาปและการหลอกลวงโกหกอุตวอวด อ, อุตริคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวตนนี่ก็เหมือนโกหกหลอกลวงคก็มีสี่ข้อเหมือนกับสินห้าของญาติโยมคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดตเวนนี้พูดปลดมดเทส เหมือนกันศีลของพระกับศีลของโยมจริงเท่ากันส่วนอีกสองร้อยิบเจ็ดข้อนี่มันเป็นกฎระเบียบเป็นวินัยเป็นการปฏิบัติตัวให้ดูหน้าสวยงามดูแล้วหน้าชื่นชมยินดีหน้าเคารพนับถือทําให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาทําให้ผู้มีศรัทธาแล้วไม่เสื่อมศรัทธาอย่างนี้นี่คือหน้าที่ของของวินัยของพระแล้วก็ทําให้พระอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุข เหมือนกับสังคมของญาติโยมที่ต้องมีกฎมีระเบียบแม้แต่ในบ้านของโยมก็ต้องมีกฎมีระเบียบถ้าไม่มีปล่อยให้ลูกมันจะทำอะไรก็ได้มันอยากจะนอนกี่โมง ก, ก็ปล่อยมันนอนมันอยากจะกินตอนไหนก็ปล่อยมันกินมันก็เละเทะไปหมดเพราะนั้นการมีการเคารพกฎระเบียบนี่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ว่าเป็นข้อหนึ่งในมงคลสามสิบแปด การมีวินัยนีย่คือการมีมีความเคารพในกฎระเบียบต่างๆของสังคมเป็นมงคลเพราะจะทำให้ไม่มีปัญหาตามมาอหากโยงเข้าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสัจจะไหมครับอาจารย์หมายความว่าถ้าเราเคารพกฎระเบียบเราทาในสังคมเนี่ยเราเคารพเราทาถูกต้องทำตามทุกอย่างเนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติทำเนี่ยเรา ตั้งสัจจะไว้อย่างไรเราก็จะทําได้อย่างนั้นนะครับอาจารย์มันก็มีส่วนนะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรที่มันมันเราไม่ชอบทําได้เราก็ต้องมีความอตั้งใจแล้วเราต้องมีความจริงใจว่าเราจะทําสิ่งนั้นถ้าเราทําไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะเราตั้งใจจะคาลบ ก, กฎจราจรแต่พอถึงเวลาก็วับไปวับมาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะ เอาไปเรามาปฏิบัติทำเราตั้งใจจะเดินจงกรมพอถึงเวลาก็ไม่เดินนี่ไปนอนแทนนี่เพราะไม่มีสัจจะแตถ้ามีสัจจะเราตั้งใจว่าจะทําอะไรพอถึงเวลาจะทําเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้มันก็ถือว่ามีสัจจะพอใช่ไหมวันนี้คําถามมีใครจะถามไหมครับเอางั้นก็ <c oughs> คิดว่าถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ